อันนี้ก็เรียกคนคิดมากคนคิดมากไม่ใช่ไปคิดมากแบบปุ้งๆนะไม่ใช่คิดแบบว่าคือใข้ควรเอาเหยียดผลประการที่ห้าก็คือการครบรยาณมิตรคเราใครที่เป็นกาลยานามิตรมีพระธรรมคําคสอนแล้วก็สมาคมคตกว่าทีนี้ประการที่หกนี่สุดท้ายที่สําคัญมากได้เจรพยาบาทได้หรือไม่ได้พูดแต่เรื่องที่สบายๆเรื่องที่เป็นสปายะเรื่องที่จะเป็นไปกับเมตตาเช่น เือการเจริญเมตตาเนี่ดีนะการโกรธกันนี่จะไม่ดีนะนนนะนะถ้าสนทนาแบบเนี้ยในที่สุดจริงๆละพยาบาทได้หมดสมมุติทําทยังไงก็ละไม่ได้เราไปนั่งคุยกับคนที่เขาคุยเรื่องแบบนี้น่ะเข้าล้ะได้หมดเละแต่อย่าไปคุยกับคนพยาบาทนะเออไม่ได้มันต้องแก้แค้นหรือเงี้ยทเงี้ยเสียเลยพยาบาทมันจะยิ่งเกิดมันต้องไปคุยกับคนที่เขามีสปยายกถาที่คุยเรื่องเมตตา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 กัลยาณมิตรเป็นต้นเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการเจริญด้วยการแผ่เมตตาและจะได้เป็นใจแห่งการละพยาบาทเออในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่พยาช้างฉัดทันเออเรื่องธรรมปราลกุมารก่อนคือการที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้เป็นใหญ่ใช่ไหมดารงเพศเป็นบนรรพชิตและอดกลั่นทีนี้ท่านก็เล่าอีกเรื่องหนึ่งนอกจากขันติวาทีดาบทท่านก็ไปเรื่องอีกเรื่องหนึ่งใน อยู่แล้ธรรมปาแลชาดกคือพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นธรรมปาและกุมารแล้วก็เป็นทารกยังนอนหงายอยู่คือนอนแ บ, บ่เบาะอยู่เนี่ยนะทีนี้ต่อมาก็ถูกพระเจ้ามหาปตาปาผู้เป็นพระบิดาเนี่ยมีพระราชบัญชาให้ตัดพระหัตถ์และพระบาททั้งทั้งสองเป็นสี่อย่างก็คือบอกว่าให้ตัดมือตัดเท้าลูกชายของเขเองสาเหตุก็คือว่า ตอนที่พระราชาองค์นี้เสด็จมาเนี่ยมารดาไม่แม่เนี่ยไม่ถวายบังคมมัวแต่ดูแลลูกอยู่โอบลูกอยู่เงี้ยโกรธมากคือพระราชบิดาเนี่เป็นคนโทสะจริตก็โอ้โหขนาดยังน้อยๆ ย, ยังเห็นเราไม่มีความหมายถ้าโตขึ้นมาเนี่ยเราคงไม่อยู่ในสายตาของนางนี้เนี่ยอย่างนั้นเลยราชกุมารเนี่ยว่าแต่กคนเนี้ยให้ตัดมือตัดเท้าซ็ จะได้ไม่ต้องมาเป็นพระราชาหม า, หากศาศาริย์ดดวงนั้นเอคือให้ตัดมารดาซึ่งมารดาก็พิรำขําครวนร้องไห้อยู่แล้วก็บอกข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพแขนทั้งสองข้างของพ่อธรรมปาราผู้เป็นรัชทายาทในแผ่นดินซึ่งไล่ทาและด้วยรถแห่งจันหอมกำลังจะขาดไปอยู่แล้วหม่อมแันจะหาชีวิตมิได้อยู่แล้วพะเยะเพคะดัง คือร้องไห้แนละ้วแม่ก็ร้องไห้ก็บอกบอกแค่พระเจ้ามหาปตาปะพระเจ้ามหาปตาป่าก็ก็ไม่สงสารแล้วก็มีพระราชองการอีกว่าจงตัดศีรษะมันเสียเหมงอนกันฝ่ายธรรมปาลกุมารเนี่ยนะไม่ได้แสดงออกถึงความตกอกตกใจนะี่ยท่านคิดในใจของท่านยังไงรู้ไหยท่านคิดว่าอันนี้เด็กน้อ ย, อยที่นอนใบเบาอยู่ที่เป็นวัวที่หลานเนี่เนะีท่านคิดว่าว่ขาขณะนี้เวลานี้ เป็นเวลาที่เจ้าจะต้องประคองรักษาจิตของเจ้าไว้ให้ดีนะโอ้โหนี่ทำได้ดีมากนี่เอาไปเป็นข้อคิดนะยามเราเกิดจะปร ะ, ประสบเพศภัยใดๆต่างๆก็แล้วแต่ใช่ไหมจะได้เตือนใจตัวเองเนะี่ยเวลาเนี้ยเจ้าต้องประคองจิตใจของเจ้าไว้ให้ดีนะพ่อทำมาปาระพู้เจอเลนี่เตือนตัวเองเนี่ยนะเราก็เอาชื่อเราใส่ก็แล้วกันเวลาเราตกใจเอาชื่อเราใส่กันไว้ก็เรียกชื่อเราผก็เออเรา เวลานี้ถึงเวลาที่เราจะต้องประคองจิตใจของเราไว้ให้ดีนะก็ใส่คาว่าเจริญก็เปบัดนี้เจ้าจงทำใจให้เสมอในบุคคลทั้งสี่ให้เสมอคือไงหนึ่งพระราชบิดาผู้บัญชาให้ตัดศีษะสองราชบรรุษที่จะตัดศีษะเราสามมารดาที่กำลังทรงร่ำไรไยลำพันธ์สี่คือตอนเองสี่คนไหมทา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 ตอนที่พระโพธิสัตว์สวยประชาติเป็นพญาช้างฉัตรทันตักแม้พระองค์จะถูกนายพานยิงด้วยลูกศร อ, อันกำทราบด้วยยาพิษนาที่ตรงเสดย์นี่นะก็ไม่ได้ขุนเคืองใจในนายพานผู้ทําความพิฆาตให้แก่ตนเองนั้นพญาช้างฉัตรทันกล่าวไว้บอกว่าคือมันอย่างนี้ก่อนที่จะกล่าวนายพานเนี่ยถูกมเหสีของพระเจ้าเวนดินบอกว่าอยากจะได้งาของช้างฉัตรทันนายพานนี้ก็เลย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 ดูดูนิจใจเออเราสมมติไม่ต้องอะไรนะสมมติมีมีโจรขึ้นบ้านเราก็ก็ไปทำร้ายเราเราก็พูดกับโจรดีๆบอกไม่จะเอาอะไรบอกเอออยากได้อะไรก็เอาไปแล้วแถมไปเปิดของให้อะไรให้นี่ <c oughs> โอ้โหมันใาจายอย่างนี้จริงๆนะใจเข้าใจก็ะโพธิสัต์ใจเราอาจจะมองโอ้โหทำสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ว่าเราทําไม่ได้แต่ท่านทําได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพญากระบี่เป็นลิงไงได้ช่วยมนุษย์คนหนึ่งที่ขึ้นจากเหวจนรอดชีวิตแล้วบุรุษนั้นเองก็ได้คิดทระยศต่อวานานนั้นก็คือหมายความบอกว่าพอเขาจะตกเหวใช่ไหมลิงตัวนี้ก็ไปช่วยพระญาโพธิสัตว์พอช่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยไอคนนั้นมันตกอยู่นานนี่มันหิวมันนึกในใจว่าเนื้อลิงเนี่ยกินได้ ก็เลยเอก้อนหินทุบหั ว, หวลิงเลยโอ้น้ําตาไหลเลยลิงเกือบตายแล้วแล้วก็ว่าวานอนนี้เป็นอาหารของมนุษย์ได้ว่า ง, งคิดอย่างนี้แล้วก็จะฆ่าคิดไปบอกว่าเออถ้าเราได้กินเนื้อของลิงนี้เราก็จะพ้นว่า ง, งั้นเราก็จะสามารถพ้นรอดจากตายแล้วก็จะคันแล้วก็ก็ยกก้อนศิลานะทุ่มกระหม่อมของพระยาโพธิสัตว์นี่เนี่ยปายพระโพธิสัตว์จ้องมองดูบุรุษนั้นด้วย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 นี่เอามาเล่าแบบเย่ยอๆพญานาคชื่อภูริภูริทัตตาพระโพธิสัตว์เนี่ยมีอยู่ชาตินึงนะเป็นพญานาคชื่อภูริทัตตาพอเกิดเป็นพญานาคภูริทัตตะก็ได้อธิษฐานอุโบสถศีลเมื่อพอถึงวันที่สิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำแปดค่าก็จะขึ้นมาในโลกมนุษย์แล้วก็มาอธิษฐานอุโบสถศีลมานอนขดอยู่จอมปลวกนี่นะทีนี้พวกพรามณ์ที่เป็นหมอ ง, งูก็เอาโอสถ มีพิษเหมือนไฟประเายกันเนี่ยนะราดที่ตัวทันทีเอาน้ำยาเอาน้ำยามาราดที่ตัวกระทืบด้วยเท้าทําให้อ่อนกำลังแล้วก็จับใส่ช่องเล็กๆ เ, เอาไปเล่นกลดูดิเนี่ยเอาไปเล่นเพื่อไปสแสดงเพื่อจะหาเงินทีนี้ไปทั่วชมพูทวีปเลยนะในยุคนั้นเนี่ยนะ พระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นพยายนาคไม่ได้แสดงอาการแม้แต่เพียงขัดเคืองในใจแก่ในาพามประการใดเลยว่างั้นกับหมองูชื่อว่าอารัมพนะจับเราใส่ในข้องเล็กๆ ก, ก็ดีย่ํำเหยียบเราด้วยส้นเท้าเพื่อให้อ่อนกำลังลงก็ดีเราไม่ได้โกรธเคืองหมองูอารัมพนะทั้งนี้เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดกระทอนกระแท่นไปท่านรักศีลของท่านมาก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 ความเป็นมนุษย์ในพบต่อไปเราก็ไม่ได้เรือเราจะมาทำลายตัวเองทำไมเราคิดอย่างนี้เราก็ปรารถนาเหมือนกนันนะหรือเราบอกคือเป็นอะไรช่างหวัวมันเด่น อ, อย่างนี้โอ้เรียบร้อยเลยยังไงขอให้โกรธให้น้อมใจสักครั้งเดี๋ยวมันอย่างนั้นค่อยมาแก้ไขที่หลังเคยคิดแบบนี้ั้ยอย่างนี้คิดไม่ดีต้องแก้ไขใหม่ถ้าไปคิดแบบนี้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือพยานาชื่อสังคปาละเป็นเรื่องที่ห้า พระโพธิสัตว์สวยประชา่าเป็นพญานาคชื่อสังคปาละพระโพธิสัตว์สังคปาละนั้นถูกบุตรของนายพล16คนช่วยกันเอาหอกอย่างแหลมทิ่มแทงเขาที่ลำตัวแปดแห่งแทงก็งไปแล้วก็เอาเครวันที่เป็นหนามร้อยเข้าไปตามรูแผแทงแทงรูแผลจะรู้แล้วเอาเชือกร้อยเลยนอะเอาเครว่อเอาเอาเถาวันเอาเชือกร้อยอย่างนั้นเนอะ เอาเชือกอยางมั่นคงเนี่ยนะเหนียวเข้าทางรูจมูกแล้วก็ช่วยกันลากไปที่รูจมูกก็ยัเอาเชือกร้อยอย่างตะลอกร้อยอย่างวัวปายด้วยเนะี่ยลำตัวโคตดสีไปกับพื้นพระโพธิสัตว์สังฆปาระได้เสวยทุกขเวทนาอย่างใหญ่หลวงแม้พระโพธิสัตว์จะสามารถบรรดาลให้บุตรของนายพรานเหล่านั้นแหลกละเอียดเป็นเท่าทรลีได้วิธี แต่เพียงโกรธแล้วจ้องมองดูเท่านั้นแต่พระโพธิสัตถ์ก็ไม่ได้ทําความโกรธเคืองหรือลืมตาจ้องมองดูเขาเหล่านั้นดูก่อนนายอล阿拉阿拉เราอยู่จำอุโบสถศีลเป็นนิดเนี่เนี่ยเออพระโพธิสัตถ์นี่ท่านถึงสิบสี่คามสิบห้าคัมแปดคัมท่านจะถื อ, อโบสถศีลเป็นนิตศีนของท่านเลยถือเป็นปกติเลยว่างั้นเถอะ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 ถ้ามันเจริญไม่ได้พอเจริญไปที่ไรมันก็โกรธก็ให้พิจารณาตามลําดับดังที่ได้กล่าวนี่แหละเอาจริยาวัดของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เคยเกิดเป็นเด็กน้อยบ้างเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นเหล่านี้ว่ายังไม่สังยังไม่โกรธนอกจากไม่โกรธแล้วยังไม่พอเนี ย, ยังปรารถนาให้บุคคลที่กระทำไม่ดีม่ร้ายกับตนเองนั้นให้ประสบลาภสการาเยอะๆนเนี่ ย, ยก็น้อมจิตไปในการเจริญเมตตาอย่างนี้ถ้ามันยังไม่หายอย่างเราท่านทั้งหลาย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 นั้นแหละเขาเรียกว่าสังสารวัตร เ, เล่มที่สี่สิบสามนั้นถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่าไอ้สังสารวัตรเนี่ยบอกว่าความเป็นไปของขันทาศอยยตนะสืบเนื่องติดตอ่อถ้ามองอย่างเราท่านทั้งหลายก็คือการเวียนไหวาตายเกิดทีนี้การเวียนไหวาตายเกิดนเนี่ยนะที่เขาเรียกว่าสังสารวัตรเนี่ยบุคคลเมื่อพิจารณาถึงสังสารวัตอันยาวนาน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 แต่มันคิดไม่ถึงใช่ไหมถ้อาอย่างเรามองดูถ้าเราเกลอดเธสักคนเนี่ยถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าคนคนคนที่ไม่เคยเป็นแม่เราไม่เคยเป็นพ่อเราไม่เคยเป็นพี่ชายน้องหญิงเป็นต้นเหล่าเ น, นี้ยไม่มีเราบอกว่าถ้าคนคนนี้เคยเป็นแม่เราเนี่ยแล้วเราเคยนอนในทอน้องของคนคนนี้สิบเดือนถ้าบอกให้นอนสิบเดือนเนี่ยนะโอ้หแล้วเขาบริหารคันเราม า, า, ออออมาแล้วออกคลอดออกมาแล้วยังเช็ดจุจิระเราเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นึกจะนึกไม่ถึงอะทำไมคิดไม่ถึง